น, น, น้งยู่สยสิบสิดว่ามันอยู่สื่อแรกนาำอยู่ในใจคิดว่ามันพุดมันส้มไปเรื่อยหลังกายเขาหลังกายเข้าใยู่มาดนแหลกทสิบห้าที่หกทีสี่แก๊กที่สี่แหเียดสิสิว่ามันอยู่สื่อไมันเติมไปเรื่อยมันเยย์อ อ, อกคือคันหลแขนอย่ นั่งอยู่คือคือเนี่ยหันใจเขาหันใจออกอมันมันเสื่อมมันเหยื่อไปเรื่อยมันบ่มีแนวมาต่อมาตัดมันต่างบรให้มันเสืออมม่อมเน่ยบ่มียังดีที่สุดแต่แม้ว่าอาข่าวมากินอาข่าวมากินหาของโง่ของหวานหาหมากใหม่มากไหลมากินเพื่อหายามรุ่ง กน um. ok ี้แค่ห้าวติต่อติต่างต้านกับพายุต้านมันจะค่อยๆเคลื่อยไปอันนั้นไปก่อนมูอเนี่มันมันอายุมันห้าติดต่างมันได้บมดกับไปมันห้าบปอดตัมันกัไปร่างกายเท่าวสั้นจุดโรคพัฒน์เข็มแต่ว่าอายุนั้นไปแล้วไปแล้วมือหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งแล้วแไอห้าคิดว่าเไห้าเสียคือกันได้นั่งอยู่ ขากเนีเจไหนให้นี่สีเอามันเสียเจาสีขาตันก็ได้เอาเนี่ยอื้นมาเนี่ยเนมันเสียก็เสียไปเนีฮยโหได้เห็นมันได้คือเจ้าไปววันแห้นี่ยนะวันแห่ลงไปวันดูายแห่มันกรโปดแห่มันกระเพื่อยแต่ว่าแนี่โหได้เป็นปาเหมือนกันนะมันหวานดูดูเอาไว้ชื้อมันกรโปดมันกระเพื่อยแห่ วานฤดูอะไรฟ้นนาฮะเห็ดกระเพื อ, อยยุในปา่าปูมันมันในป่าเป็นเป็นของเป็นไฮนสุดเด็นชูมันคือ้อขนม่นแล้วแต่ละปูละก้อนเห็ดก้อนดีละห ล, ลมันสื้ได้เนี่ยมันจะได้ดมันไปเห็ดเนวยอื่นหาเงินหาทองหาขี้ินขีดอนหาลูกหาเก่าครับวัา ห, า, ห, า, หาเมียหาเงินหาเสียง เมื่อไก่ได้ยู่ด้อได้ข้าวม็นในในได้ข้าวที่อาวจักข้าวจนั้นน่อเอาขึนตเท่เอียง่กินเขาสมือสมืออันใดแสบก็หามาให้นกินอันใดสบมึก็หามากินว่าสันยุไกลันใดอามากแข็งอันใดขามากกะวายุในอันนี้กได้ก็เอาวอได้มันบอกว่าไม่เได้ฮะเรื่องมันได้ทบันพระพุทธเจ้าวอวายุ เรื่องวันไดถ้านเด้อท่านรักษาศีลเจริญภาวนาเป็ น, ท, น, นท่านรักษาศีลเจริญภาว น, นามันปีใดแนวหนึ่งมันปีใดแนวโบมีเท่าโม่เคยนี่แนวโบมีนี่จะเสี่ยงนั่นเฮนี่มาโปมาซุ้มไปอยู่เพื่อนอยู่ท้านเป็นเรื่องบม่ข้ออยู่ในใจเป็นอันยัดอันนีเทาสีได้เพชรขั้วพระพุทธเจ้าแม่แน่วเท่าสิเบา เข้าสีแปน้นข้าวสีว่างข้าวสีสะอาดไผ่ขยับแปนตัวไผ่ขยับเบาตัวไผ่ขยับสะอาดไผ่ขยับลบขยับง่ามขันพวกๆอยู่เพื่อ น, อ, นอยู่มอม ม, ม, มม่แมแนมนมอยู่ขันสีห่ามเอากระถองพวกออกขีดไข่กออกููออกไีเป็นเรื่องสั้นบางนซองอันใดมันพวกมันเหือด เ, เนียนอันใดมัพบุเป็นตะเอาไว้เดียวท่นกินนีปหลั มันจะสีแดนมันจะสีวาง g พระถ้ำม้ำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาปัญญามันต้องใส่แน่วมันสะอาดเแล้วปัญญาใส่แน่วอื่นบ่ไแหล่สองใส่ได้ใจใใส่ได้หัวสมองของบ่อหปัญญามันคือจังอานับแข็งใส่ตาเนี่ยแหละมันบริยูนาตาหัวสมองคือกันยุ้ยสคือกันในโลกใี่บ่ไแห ต้องเอาใจใจสัญญาตกาเอาใจใจเราอยู่แหละงนตอนนี้มันไม่นี่ยขันใจเมั่อว่สะอาดมันกรบออยากยู่อีกแหละขันปัญญาต้ตองเฮ็ดใจให้มันสะอาดแล้วใจให้มันสงบเนื้อผิวเ น, นะใ น, ใ น, ในใี่ย้จะได้ใจสงบหิมออกเอาอารมณ์ออกมันพืน้นแง่พื้ักบอกวิดนสร้างคืดคดีใจบวอดเสียใจบอก เอาออกเข้าเอาทิมออกใจกะสิสงบใจกะดิมิดเฮ็ดยุ้เดียวก็ได้ดอกลักเฮ็ดเอามูขวบก็คุยกับตามเขาไหมเขานั่งเฮ็ดใจสงบแนว่วหัดคอยหัดว่างเนละ้วอันใดเขาเป็น่วงเป็นกลางว้นอยู่อันใดเข้าสะออนด้วยเนี่ยทิมทิมออกแนวมูนันสะออนกับสะออนฟกฝานเล็กน้อยคือือดอกโป่งยัด จิมออกจ้าใจสงบและมืจิ้มออกท่านแปลนโลดไปสะอาดโลดเพราะันเท่าไับล่างรวยนี่แหละอันเอาน้ำใส่คือท่านคิดยังสร้างตสงบนทนเอาแสตยน้ำล่างไปดูโห้เขียนกันยางบันท่านคอดยางเท่าทำจิตสงบนี่แหลมาหัดปีหัดว่างนี่แหละเขาข่ายอย่างน้อเขาหมักอย่างน้อไปใส่สบูได้เป็นว่าดีพลาดไปนี่พลาดกะไปบ่ได มค่าีตัวพิมพ์ออกเนีันพิมพ์ออกแล้วที่ได้ฝันย่าฝันญมันมันสมัครใจใจเข้าสะอาดเราได้ละได้ละได้ัเต็มใจคนละในที่ักินได้เ้าเลยไปร่างกายก็เลยไปแต่ว่าเากห้ฝยามีงเใจนี่ะให้มันได้ มานาั่งยนน้ำกันเงี่ยไปฟังเพื่อผู้นัน่งผูนี้ฟังเพื่อผู้บาอาจารย์ให้เป็นข้าให้ข้าถ้ำก็ควรข้าไปคืนไปที่ก็ครกิไปนิพพานได้ยังที่ไปถ่ายอย่างนั้นคนก็ไปพคนก็ยักยี่หมบ ม, ม ม, ม, มเท่ากับเป้ า, า, าเนี่ยเหมนกให้โานนั่นเเขาเคียไปก็บบโยนไปเอาใครเอามันกันผูน้บุญนี่หนึ่ง มาขักปีไรหลายต่อกันพูบุญบ่มีเหมือเป็นมานน้ำมูกับขีาข้นที่อย่า ง, างันว่าเสียภาวนาเสียท่านทุ่มทบก็ จ, กจะโอ้ยมีไป่นอนอันสีย้รักาฟิลลบลีนอันเสียให้ท่าทานต้องอแนอนห้งยื่ลลลลลลหลายขี่ีหลายมีหลายคนไหนก็กี่ที ค, คนโมโหหาแต่ว่าไม่น่อยหรอกคอนขี่ทีเหมือนมีหลายๆแต่ขี่ที มีหลายแต่คนนี้หลายพวกี่ทีไม่มีดอกวา่ามีโยเชื่อว่าการจะดีเนยแยกี่ทีเด้ออันใดพ่อให้อันใดก็อ้อยได้เท่าบอก็ตายเไปแล้วแต่บอก็อตายท่านท่านแลบอก็อตายนจิต ป, ป้าวให้ข้าท่านท่านขอท่านกินท่านของทาอง่ทานอันนี้นจเษาษาิเป็นประโยชน์แก่ศาสนาเป็นประโยชน์แก่ผู้แก่คนผู้ทุกข์ผู้ยากผู้สิ ซอยเผาซอยเผาเหลือเผาเองแค่ไคนคนผมี่อยู่นีน่กินขเขากินแนวกับท่านเมื่อกี้นี่คว้มเทียบคว้มใจให้ท่านมันจะให้อับมันจะท่านมันจะใบหนุ่นมแ้่ไหนหลักท่านอบอกเที่ยวอื่นยิบนีรจิบใส่ดีของเขาเนี่ไม่ยังแงมันปล่อยเกงหมอนดาเกงหักินให้เราะต้องไปกินให้พู้ได้ละกินออกโลดยิบจัง ข้อจีนของเดลนของเนาออกหน้าต่างอยู่นะท่านฟังนะพีอันเท่ากหน้าวนาว้าสซอนของสุภูเจแล้วมันได้แ น, นวดีร่างกายเคื่อยไปส้มไปแล้วได้ปีพุทธเมื่อจะติดตายก่อนตายนิ่้อก็ได้แล้วได้แนวดีดีไว้ในใจแลหละท่านฟังแล้วมันกำลุงมกันปีพุทไม่ยื้อย่ำดึงเอาร่างกาย ว่าของไฟของไฟของไฟไปดึงเอาดึงกับของนเอาไปให้หมอดึงอยอันหมอดึงตอยมาไวน่ยถ้าเใจให้นได้หมออีกมันไปเอาโมถึหมอั่ั่สเอาใจเียอันนันเข้ามาให้ใส่ตัวข้าวคือคือเขาสเอาขึ้นอยู่ได้ให้เขาใจงด้รเขาใจเขาได้ ได้ได้เนี่ยพวกพวกพกอย่างเงี้ยได้แคนสกปกใส่ไปที่เต่าต่างเจเฮ็ดเอามันบุ๋อยู่พูดได้เฮ็ดซอยไผ่ดอกกุบยาอาจารย์เป็นยูเป็นใหญ่เฮ็ดเอาเพราเพิ่นเพรแห้งหันเข้ามาเห็นกันเห็นมูเห็นปวกเห็นกุบาอาจารย์โอ้เป็นยางไปทั้งหนึ่งัวหนึ่งเ้ายางเป้าเฮ็ดเพื่อนเนี่ยไปขาไปรออยู่มักเป็นเงินทีนไม่เคยทอา ต้องมืดผู้นั้นต้องมีดผนี้กน้องไปทุกวันผู้นั้นเฮ็ดดีทุกวันผู้นี้เฮ็ดดีทุกวันโยตุไปนีน้น้ำใจสีเฮ็ดเด็ดแยาแยสุดๆทุกวันแม่วมันดีมันม น, มนีมันมนกระตาไผ่กระตามั น, มนคือการเจ็ดเฮ็ดอยู่แล้วกตาไผ่กระตามันไผ่เจ็ไผ่ก็ะได้เจ็ดเพือระดอกสองดอกก็ได้มั น, นก็ไดแค่นั้แหละการบล็กเจ็ดก็บพราะอะไงั้นแล้วก็สิตายนีนได้สู่ค้อนอยู่ ตายเมื่อสัปดาหนี่นมีบ่มีเมือดหรอเห็นมันได้ก้อนเมืิดตายอยู่มันได้แม้ก้อนแฮ้ที่ขาดนะให้อดตาลายๆเว้ยแม้ไม่เคยถูกลุ่ม